พีน่นี้ถ้าสงเคราะห์ตามสติปัฏฐานหูกับเสียงเป็นกายหูกับเสียงเนี่ยเป็นกายโสตวิญญาณเป็นจิตภาษะเป็นธรรมเวทนาเป็นเวทนาพันอนุปัสนาเจตในกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าถ้าถ้าสติปัจกายบวกอนุปัสนาก็เป็นกายานุปัสนาจิตบวก ก็เป็นจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาโดยที่มีขันพวกนี้แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการดับไม่ใช่ดับทวารเดียวก็หกทวารคูณด้วยหกทวาร น, นี้ถ้าจะดับจริงๆก็อนุปัสสนาเจ็ดเนี่ยกันเรียกว่าอนุปัสสนาเจ็เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับอาวุธชนิดหนึ่งที่น่นนะมุ่งทําลายนะตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อมุ่งทําลายนะทําลายวัตานะ มันก็วาก่างว่างก็แจงว่ามันสาธยายว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้โสตะโสตะสมุทัยโสตนิโรตโสตนิโ ร, โโรถาคามินีปฏิปทาจนถึงทัสสะเวทนาเนี่ให้หมดเลยแต่พระองค์นี่ยตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้ด้วยการละเจริญทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้พระองค์กลับได้ดีแล้วพระสงค์ก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกเหล่านี้แล้แลวเราก็เจริญเมตตาให้เราเพึงตรัสรู้เช่นนี้บ้างเป็นต้นอเนี่ย ให้เราทำกิจเหล่านี้ให้ได้ก็เจริญไปพิจารณาไปนี่มาดูคาอธิบายในอินซีบ้างไหยอินซีในข้อสามสิบสองอินซีนี้ธรรมชาติที่น้อมไปใช่ไหมสัตทินทรยสะอธิโมโขลักษณะของอินซีนี้น้อมใจเชื่อนะี่นน้อมใจเชื่ออธิโมกเนี่ยนี่น้อมหรือดิ่งใจเชื่อปักใจเชื่อเลยนะ น้อมน้อมใจเชื่อดิ่งเชื่อในอะไรสัททินรียก็ดูที่โสดาปฏิยังฆาธรรมใช่ไหมนั่นก็เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าหรือคบพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่นิโสมนัสิกามในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่โลกุตระธรรมวิริยินรียก็สัมมารประทานตักกหะประคองไว้ประคองในการละบาปประคองในการเจริญบุญ สตินรี่ก็สติปฐานสี่เนี่ยนะตั้งมั่นตัวนั้นเนี่ยหมายคือว่าตั้งอยู่เฉพาะในกายเวทนาจิตธรรมนะสติตั้งปัญญาพิจารณานะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นส่วนสมาธินสี่ก็ฌานสี่สภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะปัญญินรี่เห็นก็เห็นอริยสัจนั่นเองอสภาพทั้งห้าประการคืออินรี่ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ ตรัสรู้ธรรมเป็นธรรมที่จะทําให้พ้นจากกองทุกข์ส่วนภละหา้าภละห้านั้นหมายถึงสภาพที่มีกําลังและไม่หวั่นไหวอันศรัทธาพละไม่ได้หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาเพราะเป็นตัวที่ทําลายศรัทธาทําลายความไม่มีศรัทธาทําลายอสัพธยะเนี่ยนะความไม่มีศรัทธาวิริยะพละนั้นทําลายโกศ ช, ช้าคือความเกียดคร้าน ว, วิริยะพละเนี่ยนะทาลายความประมาทความประมาทหมายถึงจิตตุบาที่เป็นอกุศลที่เป็นปฏิปักต่อสตอิเรียกว่าความประมาทสมาธิพละก็ไม่หวั่นไหวในอุทะจะปัญญาพละก็ไม่หวั่นไหวในอวิชชาเพราะฉะนั้นตัวพละเนี่ยเป็นตัวที่ อ, อวิชชาความไม่เลือกสเนี่ยอสัตย์ิยะเนี่ยทำอะไรไม่ได้ความเกลียดคร้างทําลายไม่ได้ทําให้หวั่นไหวไม่ได้ความประมาท ทำให้หวันไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านทําให้หวันไหวไม่ได้อวิชชาทําให้หวันไหวไม่ได้เพราะว่าศรัท ธ, ธาพระเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่วันไหวนะเนี่ันมั่นคงจนแค่เราใครมาว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธฟังไม่ได้เลยนะรับไม่ได้ทําใจไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆเรานับถือพระพุทธเชื่อว่าพระพุทธไม่ใช่อยู่ในความเชื่อเฉยๆแต่เชื่อว่าพงตรัสรู้ดีจริง พระธรรมที่พระ อ, องค์สอนสอนให้พ้นทุกข์จริงพระสงทั้งหลายท่านปฏิบัติออกจากกองทุกข์จริงเพราะฉะนั้นเราเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเลยเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนยะจนสามารถโยนิโสมานสิการปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่โลกุตระธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ท่านก็พวกนี้เรียกว่าศธาละไม่หวั่นไหวเลยวิริยะวิริยิสีวิริยะภะละเนี่ยนะไม่หวั่นไหวในความเกียดค้าน ไม่มีใครหยุดให้ทําให้ขี้เกียจไม่ได้พักซะหน่อยเธอเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ยอมพักนะบอกว่านี่นี่อย่าเพิ่งเจริญเลยธรรมะเดี๋ยวไปเจริญอากุศลก่อนเนี่ยนะบอกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ารังเกียจความเกียจคร้านคนเกียจคร้านในศาสนานี้คือคนที่ปล่อยให้อกุศ ล, ลจิตเกิดเรียกว่าบุคคลผู้เกียจคร้านถ้าสติพละก็ไม่วันไว้ในความประมาทเนี่ยนะถ้ามีสติจริงก็ต้องไม่ประมาท ในสมัยนี้เขาบอกว่าทําอะไรก็รู้ตัวอยู่และลึกได้อยู่แต่ว่าไม่เจริญกุศลอะไรอันนี้เนี่ยประมาทอย่างแท้จริงนั้นคําว่ามีสติเนี่ยหมายถึงความว่าไม่ประมาทลักษณะของผู้ประมาทคือบุคคลอย่างไรคือผู้ที่ปล่อยจิตไปในกาลมคุณห้าปล่อยจิตไปในทุจริตสามเจริญกุศลก็เจริญอย่างกระพร่องกระแพงไม่ต่อเนื่องแบบ เจริญแบบคนเรียกว่าทําศักระว่าทําดีไหมศักต่ว่าทําไม่ดีเลยนะก็ไม่ใช่ทําศักแต่ว่าทําคือทําด้วยความตั้งใจด้วยความอุตสาหะไม่ทอดทุระไม่ทิ้งฉันทะเนี่ยนะเอาเอาเป็นจริงเป็นจังอย่างต่อเนื่องเรียกว่าผู้ไม่ประมาทหนอันผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยจึงจะสามารถเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเห็นอสุภะตามความเป็นจริงว่าเห็นรูปประคันนั้นปฏิกูลจริงๆ เห็นเวทนาขันนี่เป็นทุกข์จริงๆเห็นวิญญาณขันว่าไม่เที่ยงจริงๆเห็นนิวรว่าเป็นอนัตตาจริงๆอนัตตาแบบนิวรณ์ทำไงวานัตตาแบบนี้เสียหายมากเลยนะต้องทำลายให้ได้จริงๆนะเห็นพ่อชงก็เป็นอนัตตาอนัตตาพ่อชงกับนิวร์เหมือนกันไต่างกันยังไงต่างกันยังไง พราะนิวนเนี่ยเป็นอนัตตาแต่เป็นอนัตตาที่ต้องละโดยประการทั้งปวงรีบละให้เร็วที่สุดเนี่ยนะพ่อชงก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาที่ควรเจริญให้เร็วที่สุดพันไม่ประมาทในลักษณะนี้ไม่ประมาทในความเป็นอสุภะอนิจจ์ทุกขังและอนัตตาบางกลุ่มก็กลายเป็นว่าอนัตตาเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเพราะมันเป็นอนัตตาดีไหมอย่างนะั้นอนัตตาเลยไม่ต้องทําอะไรทําไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นอัตตาขา้า กลัวอัตตามากเนี่ยนะความกลัวจริงๆเธอเนี่ยนะควรจะกลัวไอ้ความคิดอันนั้นด้วยนะเพราะความคิดอันนั้นก็เป็นอันตตาไม่ใช่หรือเนี่ยนะควรที่จะกลัววตะให้มากด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นออกจากวัตะเสเถะว่างั้นมันสติทะละผัผู้ที่มีสติจริงๆนั้นเป็นคนที่ไม่หวนไหวในความหลงลืมความประมาทไม่หวนไหวในความออากุศนเนี่ยนะ อากุศลไม่สามารถเข้ามาครอบงำได้ฉั้นคนที่มีส ต, ติคือผู้ที่ระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้ได้นานรู้เลยว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษระลึกจําแนกแยกแยะได้โดยประการทั้งปวงวินิจใช่ผิดวินิจใช่ถูกอย่างขับรถอย่างมีส ต, ตินี่ขับยังไงดูแต่ถนนจ้องเลยนะไม่กระพริบเลยทํำยังไงนั่นแหละก็ต้องอมีส ต, ตนนนนะินั่นแหละฉะนั้นคําว่ามีส ต, ติแบบทางธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่รู้อะไรนะไม่ใช่เขามากๆเลยไม่ใช่มองความเป็นไปในวัฏฏะได้อย่างตลอดสายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่นะจําแนกแยกแยะไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่เลอะเทอะนะจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสัจจะแต่ละอย่างเขาเป็นอย่างไรส่วนสมาธิพละไม่วันไหวในความฟุ้งซ่านนะสงบคําว่าสงบนี่หมายวามันนั่งนิ่งเลยใช่ไหมใครตรงไหนก็เหมือนกับหุ่นยนต์ได้หุ่นตั้งได้นะไปตั้งนิ่งหมดเลยไม่รู้อะไรเลย ดีไม่นี้หลับไปตั้งนานแล้วทัานสมาธิภะละนี่หมายถึงไม่ฟุ้งซ่านสภาพจิตไม่ฟุ้งซ่านเช่นพิจารณาพุทธคุณก็เป็นเรื่องพุทธคุณได้อย่างยาวด้วยความทราบซึง้งธรรมคุณก็ธรรมคุณไปเลยนะเรื่องมรณานุสติก็มรณานุสติได้อย่างยาวจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยเจริญกรรมฐานใดตารบกสินเป็นเมตตาก็มีแต่เมตตาอย่างต่อเนื่องเป็นไปเนี่ยนะแหละเรียกว่า ไม่ฟุ้งซ่านนั้นสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิธพระเนี่ยนะไม่หวนไวในความฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเลยส่วนปัญญาพละเนี่ยนะไม่ห ว, ว, ว, นะวันไวในอวิชชาที่จะไม่หวนไวในอวิชชาได้เนื่องจากมีปัญญาอาวิชชานี่เขาไม่รู้อะไรบ้างอ น, นะอวิชชาไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรอีกไหม ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยนะไม่รู้ปกิจจสมุปบาทไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยอย่างในหน้าสองร้อสีสิบเจ็ดที่กล่าวไว้ตั้งที่เคยกล่าวใช่ไหมอวิชชาเนี่ยมันทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ทําให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ทุชจริตไม่น่าได้เลยนะแต่อวิชชาพาให้ทําเอาทําเอานะสุจริตน่าได้มากก็ไม่เอา ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏติจาสมุบาทก็ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอัดของอริยสัจก็ไม่เห็นเป็นตัวที่ทําให้เล่นไปในภพกําเนิดวิญญาณทิฏฐิสัตว์าาวะให้มุ่งแต่บัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงไม่ให้เล่นไปในบัญญัติที่มีอยู่จริงนะไม่ให้เห็นปฏิจาสมุบาศไม่ให้เห็นปฏิจาสมุบาทไม่ให้เห็นตัใจไม่เห็นปัจยุบันไม่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมักไม่ยอมให้รู้เห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่า อวิชชาตรงกันข้ามกับอวิชชาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าวิชาเนี่ยนะอันมีวิชาที่จะเห็นกรรมสัศกตาเป็นต้นก็ก็กจเจริญเอานะว่าไม่หวั่นไหวในความที่เรียกว่ากรรมสัศกตาเลยเมื่อไหร่นะเราจะไม่หวั่นไหวในกรรมสัศกตาเนี่ยมองเมื่อไหรก็กรรมและผลของกรรมเนี่ยนะมองเห็นกรรมมองเห็นผลของกรรมกรรมเป็นเหตุผลของกรรมเป็นผลกรรมไม่มีใน วิบากวิบากไม่มีในกรรมเน่นะกรรมเนี่ยเป็นตัวจัดแจงให้วิบากเกิดขึ้นก็พิจารณาทั้งกรรมและผลของกรรมเป็นไปจนสามารถตัดเยื่อใหญ่ทั้งในกรรมและผลของกรรมได้ตัดฉันทราคาะซะเนี่ยก็มีปัญญาจนสามารถเห็นธรรมะเป็นที่ดับฉันทราคะโดยประการทั้งปวงคือพระนิพพานเนี่ยฉันปัญญาอันนี้เรียกว่าธรรมชาติที่ไม่วันไหวในอวิชชา ส่วนโพชงเนี่ยนะโพชงก็คือองค์แห่งธรรมเครื่องตรัสรู้องค์แห่งธรรมที่ประเสริฐหรือธรรมะเป็นธรรมที่ดีก็มีสติสัมโพชงเนี่ยนะธร ร, ธ, รรธรรมธรรมชาติของสติสามโพชงก็ตั้งมั่นตั้งมั่นจิตจของเขานะตั้งมั่นว่าถ้าตั้งในกายนะสติตั้งในกายก็ต้องรู้ว่ากายเป็นอสุภะตั้งในเวทนาก็รู้ว่าเวทนาเป็นทุกข์ของเรานี่สติเกิดบ่อยไหมตั้งในเวทนาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ โอ้นะครับแสดงว่าหลงลืมสติเป็นส่วนใหญ่ตั้งในกาเจิตเมื่อไหร่ว่าเป็นไม่เที่ยงเชื่อไหมคนตายก็คนนั้นคนมาก็คนนั้นเออนั่นมันเหมือนเหมือนเหมือนเที่ยงจริงๆนะมันมองว่าเอ๊ะตอนมานะก็เหมือนจิตดวงเดียวกันมาดอนไปก็เหมือนจิตดวงเดียวกันนั่นแหละพาไปอันนี้คือไม่วินิจอะไรนะสติไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นเลยว่าเฮ้จิตนี่มันไม่เที่ยงจริง ๆ, ๆนะ เดี๋ยวจิตตามทวารหกเนี่ยนะแต่ละทวารกัคนละอย่างจิตที่ทําให้อิริยาบทแต่ละอย่างเกิดขึ้นก็จิตคนละอย่างคนละอย่างกันไปอันจิตอันนั้นเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนะเมื่อไหร่จะเห็นว่าสติเอ่ออะไรนะจิตเหล่านั้นไม่เที่ยงเมื่อไหร่จะเห็นว่านิวรเนี่ยโหรีบรีบรบะรีบดับโดยอประการทั้งปวงมีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูความิสูจทั้งหลายถ้าหา ก, กว่าไฟไหม้บนศีรษะขึ้นมาเลยลุกพลึบมาเลยนะไฟไหม้ผ้าลุกท่วมไปหมดเลยถามว่าจะทํำยังไงก็ว่าพิสูจก็บอกว่าต้องรีบตั้งสติตั้งความเพียรแม้ตั้งสติให้แรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นใช่ไหมพระองค์บอกว่าเรื่องนั้นนไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นก็ได้ไอ้ที่รีบก็ต้องรีบให้เห็นวันนี้ทุกเนะี่ยรีบให้เห็นเลยนะบนี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นแสดงว่าสําคัญมากนะขนาดว่าพระองค์บอกว่าเรื่องอื่นนะจงยกไว้นะ เรื่องนี้สําคัญที่สุดเลยนะแต่ของเราเนี่ยนะถามว่าในโลกนี้ใครคิดแบบพระพุทธเจ้าบังอย่างไงนะเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ใช่ใ ช, ใช่ต้องรีบรีบรบขนาดนั้นเลยต้องเห็นอรยิยสัจเร็วที่สุดเลยนะเรีบไม่เห็นทุกอ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเออนี่ถูกะนะนี้ทุกอันนะนี้ก็ควรรีบให้เห็นนี่เหตุแห่งทุกก็รีบควรรีบละสติสามพชทธโชงนี้ตั้งมั่นนั้นคนที่ไม่เข้าใจอัปถะของสติดีเนี่ยนะ จะนึกว่าสติก็ระลึกได้นี่ไงระลึกแล้วเห็นได้ยินเนี่ยก็เลยเนี่ยเรียกว่ามีสติเพราะมายันเคยนึกตั้งแต่สมัยต้นๆเลยมาบอกถามว่าพอไหมเนี่ยระลึกอย่างนี้ยแล้วพอไหมจะพ้นทุกข์อ่ะมันพ้นทุกข์ได้ยังไงนะก็เห็นมีปัญหาก็เสียใจกันทั้งนั้นแหะไม่เห็นพ้นทุกข์อะไรสักอย่างว่ า, าหลักการอันนี้มันไม่สุดมันฟังดูดีแต่ว่ามันแก้ปัญหาอะไรให้เราไม่ได้กําจัดอภิชาโทมณตอะไรให้สักอย่างก็ไม่ได้ก็ไปเจริญอยู่ตั้งหลายปีก็ไม่เห็นมันเกิด อ, อะไรขึ้นสักอย่างะ น, น, น มันมันไม่ใช่คําสอนนั้นคําสอนนีต้องให้ดีนะมีสติภาษาไทยกับบาลีนี่คนละอย่าง ก, กันสติของพระพุทธเจ้าเป็นมั่สติของเราเนี่ยนะคนเมาเขาก็บอกเขาไม่หลงลืมนะเขาเขาว่าเขามีสตินั้นสติที่ถูกต้องเนี่ยอย่างไรอันนี้คืออัตตาอันนี้ต้องทาความเข้าใจให้ดีสติเขาเกิดขึ้นเขาตั้งมั่นไม่เลอะเลือนว่าเป็นกุศลและอกุศลสติเกิดขึ้นจะต้องมั่นคงไม่วันวายว่านี้กรรมนิวิบกัก แยกแยะทั้งกรรมทั้งวิบากกรรมนี้เป็นอุปชาเวทนิยกรรมเป็นอปรรพะเวทนิยกรรมหรือเป็นอัปรรพะทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมวิบากนี้เป็นทิฏฐธรรมวิบากหรือเป็นอุปชาวิบากหรือเป็นอัปรรพะวิบากสามารถไม่เลืะเลือนอย่างนั้นเลยนะมองเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมดาเห็นกรรมขาวเห็นกรรมที่มีโทษเห็นกรรมที่ไม่มีโทษ นะนะรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้แม้กระทั่งวันนี้อย่างนี้สติปทานอย่างนี้สามารถปทานอิทิบาทอินทรีย์พละโคตชงและอริยมรรคเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากครูเนี่ยมีสติมียังไงมีสติเนี่นะคําว่ามีสตินั้นจึงเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรระลึกถึงคําสอนได้อย่างมั่นคงไม่เลอะเลือนเนี่ยนะสังเกตว่าตอนเลอะเลือนเป็นยังไงนึกอะไรก็นึกไม่ออกนะเคยนั่งอยู่แล้วนึกธรรมะอะไรก็ไม่มาเลยสติไม่มาเลยนะ แลลึกพุทธคุณก่อนแล้วท ร, รมาคุณก่อนแล้วสังกคุณก่อนแล้วมาดูว่าจะเอากรรมฐานอะไรดีัน